ห้าปัญจากานิเทศ8 0ดรบรรดาญาณวัตถุหมดละหนั้นสมาสมาธิมีองค์หเป็นฉไนะปัญญาที่แพรปีติไปปัญญาที่แพ่สุขไปปัญญาที่แผ่จิตไปปัญญาที่แผรแสงสว่างไปและปัจจเวกคณะนิมิตหมายถึงปัจจเวกคณะญาณ ปัญญาในฌานสองชื่อว่าปัญญาที่แผ่ปีติไปปัญญาในฌานสามชื่อว่าปัญญาที่แผ่สุขไปปัญญาในการกําหนดรู้จิตของผู้อื่นชื่อว่าปัญญาที่แผ่จิตไปทิพยจักสุขชื่อว่าปัญญาที่แผ่แสงสว่างไปปัจเจเวคณาญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสมาธินั้ น, น, น ชื่อว่าปัจจเวกขณานิมิตนี้เรียกว่าสมาสมาธิมีองค์ห้าสมาสมาธิมียานห้าเป็นฉไหนะยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้ไกลจากกิเลสหาอามิ t h มีได้ ยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้อันบุรุษผู้มีปัญญาสามเสบไม่ได้ยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประนีได้ความสงบประงับได้บรรลุแล้วโดยความเป็นธรรมเอกปุตขึ้นและไม่ได้บรรลุโดยการข่มนิวรห้ามกิเลสด้วยจิตที่เป็นสังขาริก ยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าก็เรานั้นแหละมีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิมียานห้ายานวัตถุหมดละห้ามีด้วยประการชนิดปัญจกานิเทศจบหกชกกานิเทศแปดร้อยห้า บรรดาญาณวัตถุหมวดหกนั้นปัญญาในอภิญยาหกเป็นไฉไนะปัญญาในอภิญยาหกคือ 1. อิทธิวิทยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. โสตทาตวิสุทธิยานความรู้ที่ทำให้มีหูทิพได้ 3. ปรัจิตยาน หมายถึงความรู้ที่ทำให้รู้ใจผู้อื่นสีป่ปุเพนิวาสานุสติยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. ้าจะตูปปาตายานหมายถึงความรู้การจุติและเกิดหกอสวรรค์ยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้อสะวรรสิ้นไปเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอภินยาหก ยาณวัตถุหมดละหมีด้วยประการชนิด 7. จสัตตการนิเทศแปดรในยาณวัตถุหมดละเจนั้นญาณวัตถุ77เป็นฉนความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเพราะชาติไม่มีก็รู้ว่าชารามรณะไม่มีแม้ในอดีตการความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีแม้ในอนาคตการความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีก็รู้ว่าชรามรณะไม่มีความรู้ว่าแม้ธรรมะทิฏยานของบุคคล น, นั้นก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา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 ความร well? sure ู so, ้ว่าเพราะพรรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีความรู้ว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยพัรษะจึงมีความรู้ว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความรู้ว่า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 ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีก็รู้ว่าสังขารไม่มีความรู้ว่าแม้ธรรมิติยานของบุคคล น, นั้นก็มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเหล่านี้ชื่อว่ายาณวัตถุเจ็ยานวัตถุหมดละเจดมีด้วยประการชนิด แอัตถกาณิเทศ8ป ด, รดบรรดาญาณวัตถุหมดละ8นั้นปัญญาในมัคสผลสเป็นฉไนปัญญาในมัคสี่ผลสี่คือ1ปัญญาในโสดาปฏิมัคสอปัญญาในโสดาปฏิผล 3. ปัญญาในสกทาคามิมัค 4. ปัญญาในสกทาคามิผล ห้าปัญญาในอนาคามิมักหกปัญญาในอนาคามิผลเจดปัญญาในอรหัตตมักแปดปัญญาในอรหัตตผลเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในมักสี่ผลสี่ยานวัตุหมวดละ8มีด้วยประการชนีก้านวักนิเทศ8ปดร้อยปด บรรดาญาณวัตถุหมดละ9นั้นปัญญาในอนุปุปภวิหารแลสมาบัติ9เป็นฉไนปัญญาในอนุปุปภวิหารแสมาบัติ9คือ 1. ปัญญาในปฐมฌานสมาบัติ 2. ปัญญาในทุติยฌานสมาบัติ 3. ปัญญาในตติยฌานสมาบัติ 4. ปัญญาในจตุทชานสมาบัติหาปัญญาในอากาสานัญจายตนะสมาบัติ 6. ปัญญาในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 7. ปัญญาในอากิจัญญยายตนะสมาบัติ 8. ปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเกปัจเวิคณญาณ ของโยคาวาจรบุคคลผู้ออกจากสัญญาเวทะยิตนิโรธสมาบัตเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ 9. ญายานวัตถุหมดละ9ก้ามีด้วยประการชน้ 10. ทธะสกานิเทศ 1. ฐานนาฐานญาณ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 พร้อมด้วยมรคทิติจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เที่ยงนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เที่ยงนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคล ผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมรรคทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุขนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุตุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นสุขนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมคัคทิฐิจะพึงยึดถือธรรมะอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุถุชนจะพึงยึดถือธรรมะอะไรอะไรโดยความเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระธถาคดในโลกนี้ทรงทราบว่า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 ข้าพระอระหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้หอกขึ้นทําสรงให้แตกกันนับถือศาสนาอื่นบังเกิดในภพที่8นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่ปุตุชนจะพึงบังเกิดในภพที่8นี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระองค์จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมๆกันในโลกถ้าอันเดียวกันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์เดียวในโลกกระทาตเดียวนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่พระเจ้าจักรพรรดสองพระองค์จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมๆกันในโลกธาตุอันเดียวกันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่พระเจ้าจักรพรรดจะพึงอุบัติขึ้นพระองค์เดียวในโลกธาตุเดียวนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่า ข้อที่สจตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี้แหลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่สจตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดนี้ไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุรุษจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดนี้แหละเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระถัคกฏในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่จะตรีจะพึงเกิดเป็นพระอินเป็นมารเป็นพรหมนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะ <Glory S 1> มีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุร well. ุษจะพึงเกิดเป็นพระอินเป็นมารเป็นพรหม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 ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตเป็นต้นละบุคคลผู้มีความพร่องพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะวจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยวัจีทุจริตบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเพราะวัจจีทุจริตและมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้แลเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่ฐานะมีใช่โอกาสที่จะมีได้พระองค์ทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 รตัตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าสภาวธรรมใดๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นนั้นเป็นฐานะสภาวธรรมใดๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้สภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นนั้นไม่เป็นฐานะปัญญากิริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสมาทิฏฐิในสภาวธรรม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 พระตถาคตทรงทราบผลของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุเป็นฉไนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่ากรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันคติสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันอุป ปฏิสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันกาลสมาบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอันประโยชน์คสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยคติวิบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยอุปัติวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยกาลวิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบาปบางอย่างอาศัยประโยชน์วิบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันคติวิบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรร ม, มัสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันอุปัิวิบัติถ้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรร ม, มัสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันกาลวิบัติถ้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมัสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอันประโยชน์วิบัติถ้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มีกรรมมัสมาทานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็ๆๆๆๆๆมีๆๆ กรรมมาทธานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยอุปปัฏฐสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทธานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยกาลสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทธานที่เป็นบุญบางอย่างอาศัยประโยชน์สมบัติจึงให้ผลก็มีปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฐิในกรรมสมาธานั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมาธนที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุ 3. สัพพตคามินีปฏิปทายาณหมายถึงปรีชาอย่างรู้ทางที่จะนำไปสู่ภูมิทั้งปวง811 พระตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นฉไฉนพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่นรกทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปธานี้ให้ไปสู่วิสัยแห่งเปรต ทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่มนุษย์จริโรคทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทาน้ให้ไปสู่เทวโลกทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทาน้ให้ไปสู่นิพพานปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสำมาติทิในทางไปสู่ภูมิทั้งปวงนั้น นี้ชื่อว่าพระธถาคกฏทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง 4. นานาธาตุยานหมายถึงปรีชาอย่างรู้สัตว์ที่มีธาตุแตกต่างกัน 8.12. พระธถากฏทรงทราบโรคที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุตามความเป็นจริงเป็นฉหน พระตถาคตในโลกนีทนกนน้ทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งขันะทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งอายตนะทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งท่าทรงทราบความเป็นต่างๆกันแห่งโลกที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงมงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในโลกที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุนั้นนี้ชื่อว่าพระสถาคตทรงทราบโลกที่เป็นอเนกธาตุและที่เป็นานานาธาตุตามความเป็นจริง 5. นานาที่มุดติกายานหมายถึงปรีชาอย่างบรูสัตที่มีอัธยาไตแตกต่างกัน813สาพระธถาคตทรงทราบความที่ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงเป็นไฉไรพระพถาคตในโลกนี้ทรงทราบว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประนีตก็ดีเราสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาบ่อยๆซึ่งเราสัตว์ที่มีอัธยาศัยซาม เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีก็คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีแม้แต่ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มีอัธยาศัยสามมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีก็ได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีกมาแล้ว แม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยตามก็จะคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยตามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จะคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฐิในความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัตยาไัยต่างๆกันนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัตยาไัยต่างๆกันตามความเป็นจริง 6. อินทริยะประโรปริยติยานหมายถึงปรีชาอย่างบร้สัทว์ที่มีอินทรีย์แก่กล้าและไม่แก่กล้า814 พระตถาคตทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงเป็นไฉนะพระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบอาสยะอนุัสจริตอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสน้อยมีทุลีคือกิเลสมากมีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วแนะนำให้เข้าใจได้ง่ายแนะนำให้เข้าใจได้ยากควรบรรลุธรรมและไม่ควรบรรลุธรรม815อาอาสัยะของสัตว์ทั้งหลายเป็นชนหนความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะเป็นอย่างหนึ่ง สรีระก็เป็นอีกอย่างหนึง่งชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ใช่จะไม่เกิดอีกก็ใช่หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ แต่ว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยภาวะทิฐิหรือวิภวะทิฐิดังกล่าวมานี้หรือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เข้าไปอาศัยที่สุดทั้งสองนี้ได้อนุโลมิกกับขันติในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของการและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มียานรู้ตามความเป็นจริง นี้ชื่อว่าอาศัยะของสัตว์ทั้งหลาย816อนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นฉไนอนุสัย7คือ 1. กามราคาอนุสัยหมายถึงอนุสัยคือกามราคะ 2. ปฏิคาอนุสัยหมายถึงอนุสัยคือปฏิฆะ 3. มมานานุสัยหมายถึงอนุสัยคือมานะ สี่ทิฏฐานุัยหมายถึงอนุัยคือทิฏฐิห้าวิจิกิจฉานุใสหมายถึงอนุัยคือวิจิกิจฉาหกวราคานุัยหมายถึงอนุัยคือภร ว, าวาราคะ 7. อวิชานุใสหมายถึงอนุยัน ย, ย, นยคือวิชาราคาอนุัสของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่อง อยู่ในปิยรูปัสสะตารูปในโลกปฏิคานุสัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัปิยรูปัสสะตารูปในโลกอวิชชาตกไปในสภาวธรรมทั้งสองนี้ด้วยอาการอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิเกจฉาพึงเห็นว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับอวิชชานั้นนี้ชื่อว่าอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย แปดจริตของสัตว์ทั้งหลายเป็นฉไนปุญญาพิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาพิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วอาเนนชาพิสังขารหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงที่เป็นกามาวจรภูมิ หรือที่เป็นรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมินี้ชื่อว่าจริตของสัตว์ทั้งหลาย818อัธยาศอัยาใสของสัตว์ทั้งหลายเป็นฉนะิดสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัสามก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาัสประณีตก็มีเราสัตว์ที่มีอัธยาใสสามย่อมคบหาสมาคม เข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีก็ยอมคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีกแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็ได้คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต ก็คบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตมาแล้วแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหาเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตนี้ชื่อว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย แปสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจักสุมากเหล่านั้นเป็นฉไนกิเลสสัตถุสิบคือ 1. โลภะคือความอยากได้ 2. โทสะคือความคิดประทุษร้าย 3. โมหะคือความหลงสมานะ คือความถือตัวห้าทิฏฐิคือความเห็นผิดหกวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยเจด็ดถีนะคือความท้อแท้ 8. อุททะจัตคือความฟุ้งซ่าน 9. ก้าอาหอิริกะคือความไม่ละอาย 10. อนโนตตะ ป, ปะคือความไม่เกรงกลัวกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้ อันสัตว์เหล่าใดต้องเสพเจริญทําให้มากเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสุมาก820สัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในปัญญาจากสุน้อยเหล่านั้นเป็นฉนยัยกิเลสวัตถุสิเหล่านี้สัตว์เหล่าใดไม่ต้องเสพ ไม่เจริญไม่ทำให้มากไม่เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่ามีธุรีคือกิเลสในปัญญาจากสูตรน้อย821สสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้นเป็นฉไนะอินทรีย์ห้าคือ1สัตทินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือศรัทธา2วิริ ย, ยินทรีย์หมายถึงอินทรีย์คือวิริยะ สามสตินสี่หมายถึงอินทรีย์คือสติสีสมาธินสี่หมายถึงอินทรีย์คือสมาธิหาปัญญินสี่หมายถึงอินทรีย์คือปัญญาอินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ท่องเสพไม่เจริญไม่ทำให้มากไม่ทำให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อ่อน 8 22สัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีแก่กล้าเหล่านั้นเป็นชนะไหนอินทรีห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดต้องเสพเจริญทำให้มากเพิ่มภูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีแก่กล้า8 23สัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วเหล่านั้นเป็นชนะไหนสัตว์เหล่านั้นได้มีอาสวะชั่ว อนุัยชั่วมีจริตชั่วมีอัธยาัยชั่วมีทุรีคือกิเลสในปัญญาจักสูงมากมีอินรีนอ่อนสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอาการชั่ว8 24สัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการดีเหล่านั้นเป็นฉนยัยสัตว์เหล่านั้นใดที่มีอาศยะดีมีจริตดีมีอัธยาัยดี มีธุรีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อยมีินสีแก่กล้าสัตว์เหล่านั้นนี้ชื่อว่าผู้มีอาการดี825สัตว์ทั้งหลายผู้ที่แนะนําให้เข้าใจได้ยากเหล่านั้นเป็นฉะไหนก็สัตว์เหล่าใดมีอาการชั่วสัตว์เหล่านั้นและชื่อว่าผู้แนะนําให้เข้าใจได้ยากส่วนสัตว์เหล่าใดมีอาการดี สัตว์เหล่านั้นแหลชื่อว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ง่าย826สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ควรบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นไฉนสัตว์เหล่านั้นใดประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกรรมประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกิเลสประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสาม ไม่ควรที่จะยังลงสู่มรคคือสมมตินิยามในสภาวัธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ไม่ควรบรรลุธรรม827สัตว์ทั้งหลายผู้ควรบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นฉไนสัตว์เหล่านั้นใดไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกรรมไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกิเลส ไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือวิบากมีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาควรที่จะยังลงสูม่มรรคคือสัมมัตตนิยามในสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้ควรบรรลุธรรมปัญญากิริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงมงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมาทิฐิ ในความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นนี้ชื่อว่าพระธถาคตตรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงเจชานาทิสังกิเลสาธิยานหมายถึงปรีชาอย่างรู้ความเศร้าหมอ ง, ผ, องผ่องแพ้วและการออกจากฌานเป็นต้นตามเป็นจริง 828พระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ่วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัติและความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริงเป็นฉไฉโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกชื่อว่าชาญี คือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั้นนั่นแหละผิดจากว่ายังไม่ได้ก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั้นนั่นแหละผิดไปว่าได้แล้วก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนได้แล้วนั่นแหละว่าได้แล้วก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนสำคัญฌานที่ตนยังไม่ได้นั่นแหละว่ายังไม่ได้ก็มีเหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานสี่จำพวกคือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้าแต่ออกได้เร็วก็มี โยคาวจรบุคคลผู Been ้เจริญฌานบางคนเข้าฌานเร็วแต่ออกช้าก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้ช้าและออกช้าก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเข้าฌานได้เร็วและออกได้เร็วก็มีเหล่านี้ชื่อว่าโยคาวจรบุคคลสี่จำพวก โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีกสี่จำพวกคือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาบัตในสมาธิก็มีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาบัตในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาธิในสมาธิก็มี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 คำว่าฌานได้แก่ฌานสี่คือปัตถมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานคำว่ามีโมกได้แก่วิโมกแปดคือโยคาวาจรบุคคลผู้ได้รูปฌปานโดยทำบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่หนึ่ง โยคาวระจรบุคคลผู้ได้อรูปประชานโดยทำบริกรรมในรูปภายในตนย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกตนนี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่สองโยคาวระจรบุคคลเป็นผู้น้อมจิตไปว่างามแท้นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่สเพราะก้าวล่วงรู ป, ปรสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญา และเพราะไม่ได้มนานสิการซึ่งนานัตัสัญญาโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะชาญโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่สเพราะก้าวล่วงอากาศสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะชาญ โดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่หเพราะก้าล่วงวิญญาณนันจายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยบริกรรมว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้อยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่6 เพราะก้าล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานอยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่7เพราะก้าล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้ชื่อว่าวิโมกข้อที่8 คำว่าสมาธิได้แก่สมาธิ3คือ 1. นสวิตตะกะสวิจารสมาธิหมายถึงสมาธิที่มีทั้งวิตกระวิจารสออวิตตะกะวิจารปัตตะสมาธิหมายถึงสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสามอวิตตะกะอวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกระวิจาร คำว่าสมาบัติได้แก่อนุปภะวิหารสมาบัติ9คือ1ปัธรมชาตสมาบัติ 2. ทุติยชาตสมาบัติ 3. ตติยชาตสมาบัติ 4. จตุตถชาตสมาบัติ 5. ้าอาการสาณจายตนะสมาบัติ 6. วิญญาณัญจายตนะสมาบัติ 7. อากิจัญญายตนะสมาบัติ แเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ 9. สัญญาเวทยินโรทัศสมาบัติบทว่าความเศร้าหมองได้แก่สภาวาธรรมที่เป็นฝ่ายเสื่อมบทว่าความผ่องแพ้วได้แก่สภาวาธรรมที่เป็นฝ่ายคุณวิเศษบทว่าความออกได้แก่แม้ความผ่องแพ้วก็ชื่อว่าความออก แม้ความออกจากสมาธินั้ น, น, นก็ชื่อว่าความออกปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงมงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในความเศร้าหมองความผ่องแผ่วความออกจากฌานนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ่วแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัติ และความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง 8. ปดปุบเพนิวาสนานุสติยานหมายถึงปรีชาอย่างรู้ทําให้ระลึกพบที่เคยอยู่ในหนนหลังได้829พระตถาคตทรงทราบการระลึกชาติในหนหลังตามความเป็นจริงเป็นไฉนพระธถาคตในโลกนี้ทรงระลึกชาติในหนหลังได้หลายๆชาติ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 หลายสังวัตต์วิวัตต์กับบ้างว่าเราอยู่ในภพโน้นเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีวั น, นะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้มีกำหนดอายุอย่างนี้เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงไปเกิดในภพโน้นเราอยู่ในภพนั้นเป็นผู้มีชื่ออย่างนี้ มีโคตอย่างนี้มีวันะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้สเสวยสุขและทุกอย่างนี้มีกำหนดอายุอย่างนี้เรานั้นจุติจากชาตินั้นแล้วจึงมาเกิดในพบนี้พระสถาคตรงระลึกชาติในหนหลังได้หลายๆชาติพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทกด้วยประการชน้ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในการระลึกชาตินั้นนี้ชื่อว่าพระธถาคตทรงทราบการระลึกชาติผลหลังตามความเป็นจริง 9. จะตูปปาตยานหมายถึงปรีชาอย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามธรรม830พระธถาคตฏทรงทราบความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นไฉน พระธถาคตในโลกนี้รงมีทิพยยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของสามัญมนุษย์ทรงเห็นสัตว์ผู้กำลังจุติอุบัตเลวประนีดมีผิวพัน์ดีมีผิวพันธ์นเลวไปสุขคติไปทุกขติยอมทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต ประกอบด้วยวจีทุจริตประกอบด้วยมโนโทุจริตกล่าวใส่ร้ายพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานมิจฉาทิฏฐิกรรมสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตานรกหรือสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตประกอบด้วยวจีสุจริตประกอบด้วยมโนสุจริต ไม่กล่าวใส่ร้ายพระอริยะเป็นสัมมาทิฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิกรรมสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พระสถาค ต, ตรงมีทิพยาจักรุอันบริสุทธิ์ล่วงสามันมนุษย์รงเห็นเหล่าสัตว์ผู้กำลังจุติอุบัตเลวประนีตมีผิวพัน์ดีมีผิวพัน์นเลวไปสุขติไปทุคติ ทรงทราบเราสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมาธิทิฐิในการจุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตทรงทราบการจุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจรงิง 10. อาสวัคยยาณ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 ทีท่ด้วยอาการอย่างนี้ปัญญากริยาที่อยู่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิตฐิในความสิ้นอาสวะนั้นนี้ชื่อว่าพระตถาคตตรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงยานวิพังจบบริบู